สมัยผมเป็นหนุ่มอยู่เคยไปศึกษาธรรมะจากครูบาอาจารย์ท่านนึ่นท่านสอนดีมากครับโดยหลักโดยทฤษฎีแล้วคิดว่าถูกร0อยเซนะครับถูกต้องทุกอย่างที่ท่านสอนเหมือนที่พวกเราส่วนใหญ่ทราบกันดีว่าราคะก็ดีโทสอบโลภโมหะเรากดขึ้นให้เรามีสติกําตดรู้ว่าราคะเกิดขึ้นแล้ว ย่าให้พิจารณาว่าราคะนั้นไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัว่ตวนของเราไม่ควรยึดมั่นถือมั่นโดยหลักทฤษฎีแล้วไม่มีอะไรน่าสงสัยคลางแคลง ว, ว่าจะปิดผมเชื่อฟังตามมันนะครับก็ปฏิบัติตามแต่โดยประสบการณ์ส่วนตัวของผมแล้วพบว่าหนักขึ้นครับเพราะมราคะโทสะโมหะเกิด ไปดูมันเข้ามาเลยจำมาลงนั้นครับเจ็ดจุคนธรรมดาทั่วไปเห็นอะไรจะจํามาลงนั้นทันทีดังนั้นยิ่งจามันไวเท่าไหร่ยิ่งหนักขึ้นกรุงรังขึ้นทุกทีทุกทีแทนที่จะเบาโปร่งสบายสบายผมติดตัมันมันปัญหานี้นานปีมากครับนานนับสิบปีครับเป็นสิบๆได้ครับไม่ใช่วันสวันกว่าจะคลี่คลายสถานการณ์ได้นะครับก็และน น, เ, นเหนื่อย และยุ่งยากมากครับการคิดใช้สานการนั้นผมเพิ่งมารู้ด้วยตั ว, ตวเองนะครับว่าที่ว่าได้ดูตัวเองเนี่หมายว่าไม่มีใครมาแนะนําอีกนะครับก็คือแทนที่จะดูราคะโทสะโมหะผมต้องสํารวจทุนใจก่อนหน้าที่ราคะโทสะโมหะปรากฏนั้นั้นให้ใหแน่นๆให้นเป็นเนื้อเป็นตัวเลย นั่นคือแทนที่จะเอาตัวโทสะราคะโมหะแต่เราตัวไม่มีนะครับเอาตัวไม่มีเป็นฐานปกติที่เรานั่งอยู่อนี้นะครับไม่มีครับผมเชื่ออย่างนั้นนะราคะก็ไม่มีครับโทสะก็ไม่มีถ้าใครอยากจะด่าผมนี่ผมยินดีให้ด่าเอาเลยครับถ้าเราสึกเราไม่อยากด่าเราไม่อยาก ม, มีแต่เราอาจจะมีโมหะบ้างที่ลืมๆตัวหรือ น, นั่งเข้าไปในความคิดเป็นโมหะอยู่บ้าง แต่โดยพื้นเพยแล้วเราจะไม่มีแต่ในขณะที่เราไม่มีโทรศัพท์โลภะเหล่านี้เรามักจะไม่เข้าใจครับเราก็ปล่อยใจคิดนึกไปเล่นไปเรื่อยๆแทนที่จะดูมันแล้วก็ทำความแ น, แน่นสนิทสนมรูปวิถีชีวิตของคนธรรมดาสามัญด้วยความรู้สึกตัวง่ายๆนี่ครับนี่เป็นรากฐานใหญ่มากสาหรับชีวิตเพราะว่าชีวิตของมนุษย์จะรอบเรื่องได้ด้วยสภาวะปกติ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 มันจะไม่เอาเองครับเราไม่ต้องละครับมันเราไม่ต้องการมันมันไม่น่าจะอยู่กับเราผมผมพูดอะไรคลาดเคลื่อนหรือเปล่าครับว่าราคารู้โทสะถ้าเราไม่ต้องการมันจริงนี้มันจะอยู่กับเราไม่ได้คือเราไม่ได้คิดถึงมันเลยเราไม่ได้จำมันไว้เลยเนี่ยมันมันเข้ามาไม่ได้เลยนี่คข้อที่จริงที่ผมอยากจะเล่าสู่กันฟังนะครับว่าในขณะที่เกิดโทสะโลภะมหานั้นอาวุธของเราไม่มี